ปีที่แหละวโอไม่ต้อง <c oughs> ไม่ออกงานเลยจําได้ดีเตือนแล้วทําอะไรก็การจดจอ่ออันนี้เป็นหลักสําคัญ น, นะอจะทําพรเป็นที่ดีเนี่ยจิตที่ทางนานมามากเลยไม่ว่าใครไม่ว่าใครไอ้อจดจอด่อที่สาคัญจ่อลงไปประคับประคองจิตให้อยู่คำเบรยต่ำเท่านั้นพอ กูจะสร้างตัวนี้ให้เป็นพลังของจิตขึ้นมาให้เป็นกําลังขึ้นเพื่อจิตสงบลงไปไม่ใช่นะักง่ายนะหลวงปู่ขาวสิบหกปีเราจะเอาจนมากมีเต็มหน้ากิเลสมันบีบนะพอทําแล้วอยากเป็นโน้น อ, อยากเป็นนั่นเยี่ยเร็วๆโอ้ยอีกอย่างนี้มันบีบอีกอย่างนี้นตลอดเลยหลัว่าไม่มีพอแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์ยู่แล้วจะมาทํากันแบบ การแต่งสีมันกับอธิบายไม่ถูกแล้วมันไม่รู้จักมันจะอธิบายได้ยังไงความจําก็เป็นความจำคื้นฐานของจิตมันรู้จริงเห็นจริงตาหนักสมรรถะทำทำจริงๆแล้วกล้าหานด้วยและจะกล้าหานไม่ใช่อวดไม่ใช่ก็กล้าหานแบบอวดกล้าหานตามความจริงยอมรับตามความจริงแสดงออกตามความจริงล้วนๆล้วนๆล้วนไม่มีอะไรเลยเนี่แหละธรร แต่ไ ม, ม่ค่อยผิดพลาดล้วยไม่มีอะไรมีเลขมีคนมีอะไรมีเชิงที่จะหลอกล่ออกทรัพย์สมบัติหรือน้ําใจของศรัทธาให้มาน้อมมีความเชื่อความรูส้สไม่มีในจิตเลยเพราะธรรมชาติไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นนัยธรรมจริงเป่าถึงสร้างถ้าสร้างใครให้เป็นความน้อมเย็นแล้วโอ๊ยคนนั้นเลิศเลยถึยงต้งบอกถึงพูดให้ฟังแต่กานตั้ง อ, อกตั้งใจจริงๆในปัญษานี้ ใครจะได้อะไรให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เป็นหลักเกณฑ์สําหรับจิตใจให้ทําให้พยายามทําให้พยายามสร้างขึ้นมาอย่าทําวามเป็นคนนิสัยตลอดเลยแหละ อ, อทําเป็นนิสัยตลอดเลยแหละว่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมานี่จึงร่มรุก ค, คุกรังลำบากลาบนไม่ว่าฝ่ายไหนเวละนี้โอ้ยสิ่งเรียบร้ายมันมากจริงๆนะทางตาทางหูทางลิ้นดิ้นมีอันดับหนึ่งเองนะนี้ อันดับหนึ่งเลยปรุงขึ้นทุกได้ทุกมุมเรืกินแบบนรื่แบบนี้โอ้ยกินของเก่ากินน้ําลายเยอะนี่แหละเดีไม่ได้คิดเลยว่ามันจะกินแม้อร่อยถ้าไม่ถูกปากแล้วจะทะเลาะกันอื่นด้วยมันอานาจกิเลสเห็นไหมมันแแบบเข้าไปตรงไหนตรงไหนมันจะมันทําลายอย่างเดียวก็าจะคิดไม่ได้มันมืดจริงๆท่านท่านจึงพูดจำหลักว่มันอัปวิชาแปลว่ามืดกินก็มืดนอนก็มืดพูดก็มืด เดินไปไห้ก็มืดมืดหมดมีแต่นหน้ามันครอบหมดเไม่ได้เห็นอะไรที่ว่ากำลัน้ากาลนาานอนจมดิ่มพุทโธธรรมชาตินั้นยังไม่โผล่ขึทท้นมาะถ้าพุทโธตอนนั้นโผล่ขึ้นมาครบเดีย ว, ท, ยวท่านนี้นเองคลบกเลยหมดยังไม่โผล่ถ้าจะโผล่ก็ต้องพยายามพยายามส ร, าสร้างสติขึ้นมาสร้างจิตใจของต็ตัวเองให้มีกําลังขึ้นมานั่นแหละตัวก้าวเดิน ถ้าสติเจาะลงไปปุ๊บสมาธิจะมีตัวเสร็จไปพร้อมๆกันมีเคยอธิบายแล้วเคยืีบมาแล้วมันมีกําลังปุ๊บมันก็ขาดอารมณ์ยังจิตรวมไม่ต้องประชาระหมายไม่มีใครคาดหมายไม่ได้หรอกวัดเดียวรู้สันติเลยแค่คณิกะอันนี้วิบุกปุ๊ถอนุ๊บรู้สันติมันถอนมาถึงหนูเวลามะรวมยินไม่รู้หรอกเบื้งต้นแล้วมนนไม่ชํานาญไม่ชํานาญไปมันถึงหนู ปั๊บเหมือนตกเหวหน่งเออมันเป็นอย่างนั้นโอ้มันเอาอยากจริงนะยิ่งขิดไม่ว่าพราไม่ว่ า, วาใครพออำนาจจะมืดติดตื่อมีจะถือเนื้อถือตัวถือทิศผิดมานะถือความเยอะความดีถือความรู้ความฉลาดถือหมดทุกอย่างอือถ้าได้ถือแล้วมันทีนี้มันหนักทีิงเพราถือแบบนี้มัน มันไม่ได้ลดได้หย่อนมีแต่พิษแต่ภยัยพินกอบไปไหนมีแต่พิษแต่ภัยหมดเลยแยกใช้แล้วหัวอะไรจะไในคัดตรงไหนตรงไหนมีแต่เรื่องพิษหมดเลยถ้าเป็นซื้อถือแล้วมันอยู่ในตัวเองนั่นแ่ะพิษก็อยู่ในหัว ใ, ใ จ, จเองพราะแสดงออกไปเป็นพิษหมดนั่นแหะยิ่งกินจะบาปแต่กรรมทำจะบาปแต่กรรมสร้างจะบาปแต่กรรมจิตมันจะสงบได้ไหมมันสงบไม่ได้สิมันแยกไม่ได้ฉันบอกให้อยู่กับคุณโทตอนนั้นเองมันก็ปล่อยแล้วนี่อารมณ์ที่มันถือตัว มากมายกัากองหนักขึ้นเนืพระจอรู้เพยสติเท่านั้นมันก็ท้อมแล้วที่จะละเนื้อองค์มรรคหนึ่งฉันจึงบอกให้ฝึกสติสติพวกชาวบ้านก็ทําได้เวลาจะดุจนิดเนีน้ยผมเอาได้ที่สิบสิบนาทีสิบห้านาทีห้านาทีใครไม่ไยัไม่ได้ตั้งจัดไม่ได้ตั้งใหม่ปีนี้เอาให้ได้ห้านาทีแต่ให้ได้จริงจริงจไม่ได้ห้านาทีพุโทโธพุโทพโธยาวตั้งก็หมังอะไรนะตั้งที่บอกนี่ ห้ามตั้งความหวังเราเคยหวังตั้งมาแล้วมีแต่เรื่องกิเลสบุญดีดหมดกินสงบไม่ได้นี้จะบอกเลยเนี่ยใครจะพัฒนาพัฒนาดนี้เอาลูกยกตัวอย่างหนึง่งพ่อแม่คุณเชิขาวนเอาตายว่าตายขึ้นเกิดขึ้นใหม่จะเป็นนักลอบอีกนะให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยจริงๆฝังลึกลงในใจถ้าไม่ได้นิสัยปัจจัยรักเกิดมานี่เป็นมนุษย์กพรพุทธศาสนาด้วยแล้วจึงพบนักปราชญ์ผู้ท่านฉลาดแหลมคมด้วยอย่างให เสียทีที่เกิดมาเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตายชุ้นกระเป๋าเออจะมาล้องผมร้องให้เกิดมาพบใด้ชัติใดไม่รู้หน้ารู้หลังมีแต่น้อยอกน้อยใจต่ําต้อยอยู่อย่างนั้นเศร้าจบโศกาอยู่อย่างนั้นมาเพลเล่นเท่าแก่ตายกระเป๋าวันหนึ่งผ่านไปวันวันหนึ่งกินผ่านไปแก่ไปกินผ่านไปแก่ไปไม่คํานึงอะไรเลยต้องปักหลั ก, นนไกมม็ไม่ได้อะไรกินวันหนึ่งผ่านไปกินสามมื้อชมาไม่ได้อผู้โทรได้กี่ครับ ทำไม่ได้หรนี่ตัวจริงอันนั้นไม่ใช่ตัวจริงจิแล้วแก่ไปแก่ไปแก่ไฟ ไ, ได้เหรทำไมไปถือไปยึดจงมากมายจนทะเลอะบอกแว้งขึ้นกันในการนั่นแหละทํำท่านบอกเอวานมึพูดเพิมเ่มเติมเอาละแค่นั้นพอเอวัน <c oughs> ไปเข <c oughs> ้าไนาจะมี อ, อะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกไปจึบอกกันนะจนังเลย <c oughs> <c oughs> เพื่เรื่อแการมือดีเอาไว้แล้วก็เฉยาเลยยิ่งมเร้าเองมันเช้าเองมันขาดไร่มันมันก็เช้ากับมันตายเขาพเขาไปเลยมเรี่ยงเกิดมันชอบเดเป็นมันกิดลังายเขาถือเเลยะมายนีเป็นูสบายเลยแต่พวกีกวางกน้นกูยง เขาเอั้ีนเจ็บก็ตีเครับผู้ชายท่านีคที่เกว่ารงันเองเกือบบ ที่ได้บินถึงสิบกิโลนี่ร้อยถึเออการบินทบาะเฮ้ยช่างสร้างพ่อเวลียนดินทบะมันขนเจ็ดโมงเด้อออกจากนี้นะออกจากวัดเจ็ดโมงพ่อว่ากันงขึ้นมันหลายกว่า